ธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรศึกษาแต่ศึกษาอยาเยงไม่พอนะถ้าศึกษานี่หมายถึงการฟังการอ่านมันต้องปฏิบัติ ด, ด้วยธรรมะเนี่ยจะมีคุณค่าได้ก็ต้องปฏิบัติแต่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 อย่างเช่นมีพุทธภาษิตหนึ่งนะที่เราคงได้สาธยาอยู่ บ, บ่อยๆเนะี่ยชนเหล่าใดนะเมื่อประพฤติสมควรแก่ธรรมในธรรมที่ตัดไว้ดีแล้วนะชนเหล่านั้นจากถึงฝั่งแห่งพระนิพพานข้ามพ้นบ่วงแห่งมัจจุี่ขามได้ยากได้ยากหนะักเราเคยสงสัยบ้างมาดูเปล่าว่วาประพฤติสมควรแก่ธรรมเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไร นะประพฤติทธรรมปฏิบัติธรรมยางเดียวไม่พอนะมันต้องสมควรแก่ธรรมด้วยเพราะถ้าไม่สมควรแก่ธรรมนะก็เกิดโทษได้อย่างมีอีกประโยคนึงนะที่เราจะเคยได้ยินหรือว่าได้สวดบอย บ, ยบย่อยทำที่ประพฤติดีแล้วนะย่อมนำสุขมาให้นะประโยคนี้มันแปลว่าอะแปลว่าถ้าประพฤติไม่ดีนะ ก็ไม่เกิดสุขหรืออาจจะเกิดทุกข์ก็ได้ <c oughs> เคยสงสัยบ้างไหมหรือบ้างไหมว่าเนี่ยไอ้ทำที่ประพฤติไม่ดีมันก็มีนะประพฤติไม่สมควรแก่ทำหรือว่าประพฤติทํนะาไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่เพียงแต่จะทําให้เราเนินช้าแต่อาจจะเกิดโทษหรือเกิดทุกข์ขึ้นมาก็ได้ ธรรมะเนี่ยเป็นของดีแต่ว่าก็ต้องปฏิบัติให้ถูกนะปฏิบัติไม่ถูกก็เกิดพลเสียนะอย่างที่พรธเจ้าอุปมาว่ายาคาถ้าจับไว้ไม่ดีนะมันก็บาดมือความเป็นบรรปะชิตความเป็นสมณนะถ้าบรรปะชิตปฏิบัติไม่ถูกนะั้นก็ฉุดลงนรกเลยนะไม่ใช่แค่เสมอตัวนะมันลงนรกเลยนะ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 ความหมายแรกคือว่าปฏิบัติเนี่ยโดยที่ไม่ใช้ในทางที่ผิดหรือว่าไม่ปฏิบัติธรรมนะในทางที่ผิดนะถ้าเราปฏิบัติในทางที่ผิดเนี่ยมันก็เกิดโทษมากมายอย่างเช่นปฏิบัติธรรมเพื่อ หาลาบสักการะนะทำตัวให้เคร่งหรือว่ามีศีล น, นะให้คนเขาชื่นชมสรรเสริญหรือเพื่อที่จ ะ, ะให้คนเขานะเชิดชูแล้วก็จะได้มีลาบสักการะมานะคนที่ป ฏ, ปฏิบัติแบบนี้ก็มีวังแต่สมัยพุทธกาลนะรูเจ้าอย่างเตือนเลยนะว่า การศึกษาธรรมเนี่ยนะถ้าศึกษาไม่ถูกนะก็มันก็จับจับงูพิษไม่เป็นนะการศึกษาธรรมเนี่ยพุทธเจ้าเปรียบเหมือนการจับงูพิษนะเงินเนี่ยไม่ใช่แค่งูพิษอย่างเดียวนะการศึกษาธรรมเนี่ยก็เปรียบเหมือนงูพิษเมื่อจะจับงูพิษต้องจับให้เป็นถ้าจับไม่เป็นจับไม่ถูกก็ถูกงูพิษมันกัด อันนี้พระเจ้าเปรียบเหมือนกับว่าคนที่ศึกษาธรรมเนี่ยจะศึกษาธรรมเพื่อไปยกตนขมท่าน mm. เพื่อไปแสวงหารับสักการะนะหรือแม้แต่เพื่อคนจะมากล่าวหาติดเตียแล้วไม่ได้นะนะอันนี้ไม่ถูกนะอันนี้เรียกว่าปฏิบัตินะทำในทางที่ผิดนะเป็นการเอาธรรมะมาใช้เพื่อสนองกิเลสตัณหานะรวมทั้ง ไปสร้างทิฐิมานะให้เพิ่มพูนมากขึ้นปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมในความหมายที่สองคือว่าไม่ปฏิบัติผิดวัตถุประสงค์ธรรมะเนี่ยนะแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์ที่จำเพาะเจาะจงนะ อย่างเช่นทานเนี่ยนะวัตถุประสงค์ก็เพื่ออะไรก็เพื่อลดละนะความตนหนนะีถ้าเราใช้ทานเนี่ยเพื่อไปอไปเพิ่มพูนโลภะนะทบุญก็เพื่อจะได้ร่ำรวยนะจะได้ถูกรัตเตอรี่นะถูกรวยรวยเบอร์อนี้เรียกว่าปฏิบัติิวัตถุประสงค์นะ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 นะเกินความจําเป็นหรือเกินขีดที่มันเหมาะสมกับเราคารวะนี้ก็มีระดับการเสพแบบหนึ่งนะพระก็มีขอบเขตในการเสพอีกแบบหนึ่งนะอันนี้สันโดษเนี่ยผู้เจ้านะส่งเสริมนะแนะนำให้เราปฏิบัติเนี่ย ก็เพื่อเราจะได้เป็นผู้อยู่ง่ายไม่ต้องเสียเวลาในการขนขวายหาเงินหาทองหาทรัพย์สมบัติมามากมายเกินความจําเป็นหรือเกินความต้องการ น, นะได้เท่าไหร่ก็ยินดีนะ <c oughs> เพื่ออะไรนะ <c oughs> เพื่อเราจะได้มีเวลาเนี่ย <c oughs> ไปทําสิ่งที่มีประโยชน์ <c oughs> มีคุณค่ามากกว่าการหาเงินหาทองรวมทั้งไม่เสียเวลากับการเสกการบริโภคนะ จนเกินความพอดีไปคนทุกวันนี้เนี่ยหาเท่าไหร่ก็ไม่พอนะพ่อไม่มีความสันโดษล้วก็เลยไม่มีเวลาหลายคนจะบอกว่าไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรมไม่มีเวลาไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ไม่มีเวลาคุยกับลูกเนะพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่รู้จักสันโดษทนะีถ้าเราสันโดษเป็นเนี่ยนะเราจะไม่เสียเวลา ไม่เสียกำลังไม่เสียพลังงานไปกับการหาสิ่งที่เกินจำเป็นแล้วก็ไม่เสียเวลาปกับการเสพนะจนกลายเป็นหมกมุ่นเราจะมีเวลาเหลือสาหรับการทำคุณงามความดีเช่นปฏิบัติธรรมนะหรือว่าการทำประโยชน์กับส่วนรวมครานี้หลายคนเนี่ยทำผิดประถุประสงค์นะก็คือว่าพอสันโดษแล้วก็หยุดเฉยนิ่งนะ ต้องการนะร้อยบาทนะหามาได้ร้อยสิบนะก็พอใจแล้วแต่เราก็ไม่ทำอะไรต่อนั่งเล่นนอนเล่นนะเวลาที่มีแทนที่จะเอาไปทำความดีนะทำประโยชน์ตนเช่นปฏิบัติธรรมหรือไปทำประโยชน์ท่านนะช่วยเหลือส่วนรวมไปจิตอาสานะบมรุงพุทธศาสนา นะช่วยเหลือเกื้อกูลผสง์เป็นต้นเนี่ยก็ไม่ทำเอาแต่นั่งเล่นนอนเล่นอย่างนี้กายเป็นขี้เกียจไปอันนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติสันโดษเนี่ยผิดวัตถุประสงค์นะพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงสอนว่าเมื่อสันโดษแล้วต้องมีวิริยะด้วยนะวิริยะเนี่ยจะมาคู่กับสันโดษเพื่อเป็นการกากับไม่ให้สันโดษและขี้เกียจนะเพราะว่าคนเนี่ยมีโอกาสที่จะปฏิบัติผิดนะ ผิดวัตถุประสงค์นะชายสันโดษไปในทางที่ส่งเสริมความขี้เกียจนะแทนที่จะทำให้เรามีเวลาแล้วก็กำลังนะในการที่จะทำสิ่งดีงามเพื่อพัฒนาชีวิตจิตใจเจริญ ง, งอกงามและทำาเ่ยวกับส่วนรวมผิดวัตถุประสงค์อีกหลายอย่างนะเช่นคำสอนเรื่องตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะ อันนี้เนี่ยผู้เจ้านะสอนธรรมะข้อนี้เพื่อให้เราเนี่ยไม่หวังพึ่งพาผู้อื่นรวมทั้งไม่หวังพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแต่บางทีคนเอาไปใช้ไม่ถูกนะเช่นเห็นคนเดือดร้อนเขากำลังต้องการความช่วยเหลือก็ไม่ช่วยเขาไปสอนเขาว่าเนี่ยเราต้องพึ่งตนนะนะฉันไม่ช่วยเธอนะเธอต้องพึ่งตนเองนะ อันนี้ไม่ถูกนะเราใช้คำสอนนี้เพื่อไปเป็นข้ออ้างในการที่เราจะไม่ช่วยใครนะหรืออาจจะหวังดีก็ได้ว่าเออไม่ได้คิดจะรังเกียจรังงอนอะไรเขาแต่บอกเขาว่าฉันช่วยเธอไม่ได้นะเพราะเธอต้องพึ่งตัวเองนะอันนี้ไม่ถูกนะคำสอนเรื่องตนเป็นที่มือ่อไหรงตนเนีเอาไว้สอนตัวเองไม่ใช่เอาไว้สอนคนอื่นหรือเอาไว้เป็นข้ออ้างว่า ฉันช่วยเธอไม่ได้นะเธอต้องช่วยตัวเองนะ <c oughs> บางทีก็อ้างว่าเป็นกรรมของสัตว์ไปนะอุเบกขานี่ก็เหมือนกันนะใช้ผิดวัตถุประสงค์ก็มีนะหรือว่าใช้ผิดก ร, รณีก็ได้คนเขาเดือดร้อนเนี่ยแทนที่เราจะช่วยเา้าเราก็บอกอุเบกขานะไฟกําลังไหม้วัดไฟกําลังไหม้ป่าก็อุเบกขายัาไม่ทันจะลงมือทำอะไรเลยก็อุเบกขาซะละ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 แล้วเราจะเห็นเราจะรู้ได้งว่ามีรถนะทางข้างหน้านมันปลอดภยัยไหมหรือการคุ้นคิดธรรมะเรียกว่าธรรมวิจยะเนี่ยนะเราก็ควรคุ้นคิดนะธรรมะเนี่ยในเวลาที่ว่างหรือในเวลาที่เราไม่ได้ทำอะไรแต่ไม่ใช่เวลาขับรถนะหรือเวลากาลังเดินลงบันไดเดินเดินลงบันไดก็คิดธรรมะไป นะอันนี้มันกลายเป็นความฟุ้งซ่านได้ง่ายหรือทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะขณะที่ขับรถนี่ก็ให้มีสติการขับรถอันนี้ถึงเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมถูกกรณีสมควรแก่ธรรมนะไม่ใช่เอาเรื่องอื่นมาคิดหรือว่าไปปฏิบัติธรรมอย่างอื่นนะในเวลาในกรณีในสถานที่ที่ไม่ถูกต้อง ถ้าถ้ามันเกิดอุปติเหตุก็อย่าไปอย่าไปตักเพ้อว่าทำไมนะคิดถึงท ร, ร ม, มากแล้วถึงเกิดอุบัติเหตุนะก็ปฏิบัติผิดเนี่ยผิดกรณีไม่ถูกการะเทศผู้เจ้าตรัสว่าเนี่ยคนเราเวลาฟุ้งซ่า น, นนะนะสิ่งที่ควรจะใช้ให้น้อยนะ ก็คือวิริยะนะปิติแล้วก็ธรรมวิจยะ3ข้อนี้เป็นเป็นธรรมะในพ่อชงเจนะพชง7นี่ก็ถือว่าเป็นธรรมะสาห ร, รับการตัส ร, รู้แต่ว่าต้องใช้ให้ถูกกรณีด้วยนะเวลาฟุ้งซ่านเนี่ยนะพระเจ้าก็บอกว่าเนี่ยไอ้ตัวธรรมะ3ข้อเนี่ยวิริยะนะปิติ แล้วก็ทําวิทยะเนี่ยนะควรใช้ให้น้อยเหมือนกับว่าเรากำลังมันมีไฟไหม้มันมเรามีกองมีกองไฟแล้วเราจะดับเนี่ยเราควรจะโยนนะยาสดลงไปไม่ใช่ใสยย่ยาแห้งถ้าเราใสายย่ยาแห้งเนี่ยไฟแทนที่จะดับมันก็ยิ่งลุกโพรงก็ไปใหญ่ยาสดนี่ผู้เจ้าเปลี่ยนเหมือนกับ ยาสนิทเป็นอุปมาสำหรับพ่อชมเจ็ดอีกสามข้อกนะ็คือสมาธิปัสสัทธิแล้วก็อุเบกขาในทางตรงข้ามนะเวลาที่เราง่วงเหงาหาวซึมหรือว่ า, าไม่ค่อยกระฉับกระเฉงเนี่ยถ้าหากว่าเราจเจริญธรรมะสามข้อเนี่ยคืออุเบกขาปัจสัทธิหรือสมาธินี่นะ มันยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เหมือนไฟกําลังจะมอดเนี่ยเราอยากจะให้ไฟมันลุกนะก็ควรจะโยนหญ้าแห้งลงไปไม่ใช่โยนหญ้าสดนะโยนหญ้าสดในไฟมันก็ยิ่งไฟที่มันจะจะดับยูบยิ่งดับเข้าไปใหญ่นะอันนี้เป็นคําสอนว่าพ่อชง7จตเนี่ยธรรมะแต่ละข้อแต่ละข้อมีประโยชน์ก็จริงนะแต่ว่าใช้ใถูกกรณีนะในบางกรณีก็อาจจะไม่เหมาะ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 อย่างเช่นเนี่ยในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะมีพระรูปหนึ่งทือพระโสนะนะเป็นคนที่ตั้งใจทำความเพียรมากเลยเดินจงกรมนะทั้งวันและทั้งคืนก็ว่าได้แต่เนื่องจากพระโสนะเนี่ยเป็นผู้ที่มีเท้าเนี่ยผิวเท้าบางนะเป็นสุขุมารชาติดัเดินจงกรมไปนานๆเนี่ยเท้าก็แตกนะเลือด ก, ก็ไหลนะ พสนนาก็ยังไม่ยังไม่ยอมนะก็พยายามที่จะเดินจงกรม ท, ทั้งที่เท้าแตกนะก็เรียกว่าประสบความทุกทุกทรมานมากอยากจะบรรลุ ธ, ธรรมเนี่ยพยายามระดมความเพียรแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็กลับเป็นทุกขเวทนาแล้วก็ความท้อแท้ท้อถอยนะจนกระทั่งอยากจะเลิกปฏิบัติอยากจะสืขาลาเพศด้ซ้าพุทธเจ้าก็ทราบนะก็เลย มาสนทนากับพระสนะพระสนะนี่เคยเป็นนักดนตรีนะดีดพินเก่งก็เลยถามพระสนะว่าเนี่ยพินเนี่ยถ้าถ้าสายพินเนี่ยขึงให้ตึงเนี่ยนะดีดพินไยร่ไหมพระสนะก็บอกไม่ไยร่แลวถ้าสายพินเนี่ยนะย่อนเนี่ยดีดแล้วจะัยร่ไหมก็ได้คำตอบไม่ไยร่ ทำอย่างไรถึงจะไพโรตต้องขึงให้พอดีพอดีผู้จ้า ก, ก็เลยบอกว่าเนี่ยพระสณะเนี่ยนะควรทําความเพียนพอดีอย่าทําความเพียนมากไปเพราะว่าทําความเพี้ยนมากไปก็ฟุ้งซ่านนะถ้าว่าทําความเพี้ยนน้อยไปก็เกียร์คร้านหรือว่าย่อหย่อนนะนะผู้จ้า ก, ก็แนะให้พระสนะเนี่ยนะทำความเพียนแต่พอดี ความเพียรเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่าถ้าทำให้เกินพอดีไปมันก็เกิดโทษหรือว่าไม่เกิดผลดีอย่างที่ต้องการอาจารย์กรณยพสนนก็เรียกว่าท่านประพฤติไม่สมควรแก่ธรรมนะคือทำความเพียรมากไปนะต้องทำความพอดีให้เกิดขึ้นนะในการทำความเพียรอันนี้ไม่ใช่ทางสายกลางนะมันมีคำเรียกคำนว่าวิริยสมมตาคือทำความเพียรแต่พอดี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 คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ทำความเพียรมากหรอกนะทำความเพียร น, น้อยเพราะฉะนั้นก็ควรจะเพิ่มความเพียรให้มากขึ้นนะมีน้อยคนนะที่ทำความเพียรมากไปแล้วควรจะลดนะอันนี้คือความหมายครัว่าปฏิบัติสมควรแก่ธรรมนะคือปฏิบัติโดยไม่ผิดวัตถุประสงค์นะไม่ปฏิบัติไปในทางที่ผิดนะปฏิบัติให้มันไม่ผิดกรณี แล้วกไ็ไม่ปฏิบัติน้อยเกินไปหรือมากเกินไปหรือพูดอีกอย่าง น, นึงคือว่าปฏิบัติสมควรกับทำเพื่อปฏิบัติให้มันถูกกรณีถูกวัตถุประสงค์นะแล้วก็เป็นไปเพื่อพัฒนาจิตใจไม่ใช่เพื่อสนองกินเละปฏิบัติในทางที่ถูกแล้วก็ปฏิบัตินะแบบพอดีพอดี อันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยซึ่งเมื่อตั้งใจจะมาปฏิบัติธรรมแล้วก็ต้องทาเขาเข้าใจนะต้องใช้ปัญญาด้วยนะเพราะถ้าเราไม่ใช้ปัญญาเนี่ยเราจะปฏิบัติผิดนะกลายเป็นการปลนเปลอกกินเหล็ ก, ก็ได้หรือปฏิบัติผิดวัตถุประสงค์ก็ทำให้ไม่ได้ผลอย่างที่ต้องการนะหลายคนมาเนี่ย นะด้วยมาปฏิบัติด้วยความอยากได้นะอยากมีอยากเอาเวลาปฏิบัติก็ทำด้วยอาการหน้าดาำขมเครียดนะอันนี้ก็เรียกปฏิบัติผิดละนะปฏิบัติทำก็จริงนะแต่ว่าปฏิบัติผิดนะมันก็นำทุกมาให้ทำที่ประพฤติดีแล้วนำสุขมาให้นะส่วนทำที่ประพฤติไม่ดีเนี่ยก็นำทุกมาให้ เมื่อมีความทุกข์เช่นปวดหัวเครีย ด, ท, ดท้อแท้ทุกทรมานนี่ก็อย่าอย่าไปโทษ ธ, ธรรมะนะธรรมะนี่มันดีแล้วแต่เราปฏิบัติผิดนะนนการปฏิบัติถูกเนี่ยอย่างเนึ่งคือว่าทำด้วยใจที่สบายนะปล่อยวางความคาดหวังทั้งหลายนะโดยเพราะการเจริญสติเนี่ยนะ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 ทัศนียภาพสองข้างทางก็ได้อย่าไปพิตกกังวลว่าเมื่อไหรจะถึงเมื่อไหรจะถึงนะถ้าขึ้นรถถูกคันหรือว่าเดินถูกเส้นทางเนี่ยมันถึงแน่นะไม่ช้าก็เร็วนะจะหลับบ้างก็ไดนะ้แต่อย่าหลับนานนะเพราะว่าพอมันถึงป้ายแล้วถึงจุดหมายแล้วเราไม่ลงมันก็เลยรถมันก็พาเลยไปนะ เราต้องแน่ใจว่านี่คือจุดหมายปลายทางที่เราต้องการแล้วก็แน่ใจว่าเส้นทางนี้หรือว่ารถคันนี้เนี่ยนะมันพาเราไปถึงจุดหมายได้นะเมื่อเราทำสิ่งที่สมควรทำแล้วเนี่ยเดี๋ยวถึงเองนะจุดหมายปลายทางไม่ต้องเครียดไม่ต้องวิตกกังวลอาการปฏิบัติก็เหมือนกันนะ เรามีจุดหมายจึงเราจึงพาตัวเรามาที่นี่นะแต่เมื่อเราเริ่มลงมือปฏิบัติแล้วเนี่ยก็ทำให้ใจสบายนะจิตอยู่กับปัจจุบันวางอาดีตวางอน า, าคตลงนะทำความเพียรแต่พอดนะีแล้วก็ปฏิบัติเนี่ยนะก็ให้มีสติรวมเขามีการไตรตรองพิจารณาอยู่เสมอว่า ไอ้ที่เราทำเนี่ยมันเป็นการตามใจกิเลสหรือเปล่านะเพราะบางครั้งเนี่ยเรามาด้วยความโลภนะเรามาด้วยความอยากได้นะแม้จะไม่ใช่อยากได้เงินได้ทองนะแต่ว่าการอยากได้ผลนวิเศษหรือแม้แต่ความสงบเนี่ยมันก็เป็นความโลภเป็นตัณหาอย่างหนึ่งนะถ้าทาด้วยจิตที่มีตัณหามีกิเลสแบบนี้เนี่ยนะ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 อธ า, ธาจารย์ท่านก็จำแนกว้ว่ามีถึง40วิธีแต่และ ว, วิธีก็มีวัตถุประสงค์แตกต่างกันไปนะเฉพาะอนุสติ10บเนี่ยนะสิใน40เนี่ยนะเฉพาะอนุสติ10บอนุสติสิเนี่ยแต่และข้อก็มีวัตถุประสงค์แตกต่างเช่นพุทธานุสติธรรมานุสติสังงานุสตินี่ก็เพื่อปลูกศรัทธาให้เรามีในพระรัตนตรยัย แต่ถ้าเราจเจริญมรณาสติตเนี่ยมันก็ทําให้เราเกิดความไม่ประมาทนะถ้าเราจเจริญ อ, อุปสมารุ้ ส, สติตเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยจิตใจเราลึกถึงพระนิพพานอยู่เสมอนะก็ทําให้เป็นเครื่องเตือนใจนะเวลาเจออุปสรรคต่างๆเรามีพระนิพพานเป็นเป็นที่หมายเราก็ไม่ท้อแท้เจ้าทอยง่ายนะเวลาเราจเจริญ ศีลานุสติจารานุสติเราก็เกิดปิติว่าเราได้ทําความดีเราได้เสสระบริจาคทานนะแต่ละวิธีเนี่ยมันก็มีวัตถุประสงค์แตกต่างกันไปนะแต่ว่าพอไม่เขาเ้าใจวัตถุประสงค์เนี่ยก็อาจจะไปทะเลาะ ก, กันว่าเธอปฏิบัติผิดวิธนะีปฏิบัติถูกวิธีต้องแบบนี้จริงๆก็าอาจจะปฏิบัติถูกก็ได้แต่ว่าเขาไม่ได้ปฏิบัติ เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกับเราก็าจะปฏิบัติเพื่อเพื่อต้องการเจริญเมตตาให้เกิดขึ้นเขาจึงเจริญเมตตาภาวนาก็าจะเจริญมรรคสตินะโดยการนึกถึงอนาคตในวันข้างหน้าว่าจะต้องเมื่อต้องตายนะทำใจได้หรือเปล่าหลายคนบอก ว, ว่าการเจริญมรรคสตินี่มันเป็นการนึกถึงอนาคตนะเราต้องอยู่กับปัจจุบันสนะิการอยู่กับปัจจุบันนี่เอาไว้ใช้ในการเจริญ นะสติปฐาน4นะส่วนมรานสติเนี่ยนะมันเป็นการมองไปอนาคตนะว่าสักวันหนึ่งเราต้องตายนะถามใจตัวเราว่าเมื่อถึงวันที่เราต้องตายเราพร้อมที่จะตายไม่เราพร้อมที่จะปล่อยวางทุกอย่างหรือเปล่าในการปฏิบัติแบบนี้ไอต้องจินตนาการว่าร่างกายเรากลายเป็นซากศพนะหรือว่าร่างกายที่เคยอุ่นมันก็เริ่มเย็นนะ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 นะในชีวิตเพื่อให้เราเตือนใจอยู่เสมอว่าสักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วเราต้องตายการเจริญร้อนนสติเนี่ยมันต้องอาศัยจินตนาการเขาช่วยเพื่อให้เราตระนหนักถึงความจริงว่าชีวิตเราเนี่ยนะในที่สุดนะมันก็ต้องตายแล้วก็ศพนี้ก็ร่างกายก็จะกลายเป็นศพที่เน่าเหม็นไม่ควรยึดติดถือมั่นนะ ฉันจะไปเถียงกันว่าเนี่ยไปเจริญร้อนนัสติแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่อยู่กับปัจจุบันนะอันนี้พ่อไม่เข้าใจไงว่าเจริญร้อนนัสติเขาทาเพื่ออะไรนะเขาทําเพื่อให้เราเนี่ยไม่ประมาทนะงั้นถ้าเราเขาเา้าใจถวัติประสงค์การปฏิบัติแต่ละกรณีแต่ละกรณีแต่ละอย่างเนี่ยไอการทะเลาะบอกแว้งกับมันก็ไม่มีนะการจะไปตอนนี้ว่าฉันถูกเธอผิดมันก็ไม่ใช่นะแล้วมันทําให้เราเนี่ยรู้จัก ใช้วิธีการต่างๆเพื่อนะพัฒนาจิตใจเราให้มากขึ้นขณะที่เราเจริญสติปัฏฐานสี่นะเราก็รู้จักใช้วิธีอื่นเช่นเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติในระหว่างที่ธรรมสวดมนต์เจะได้ปลูกศรัทธาให้มั่นคงนะในบางครั้งเราก็เจริญมรณาสตินะอย่างที่เพึ่งสวนเมื่อสักครู่เนี่ยนะนะพูดถึงว่าเมื่อเราตายเนี่ยอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายของเรานะ หรื อ, อยังไม่ทันจะตายเลยร่างกายมันก็นะมันก็ปึ๊บมันก็แก่ชาราเหี่ยวย่นนะตอนนี้เป็นยังไยังไม่เป็นแต่อนาคตนะจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนการคิดถึงอนาคตแบบนี้ไม่ใช่เรื่องเสียหายนะไม่ใช่ว่าเอไม่ได้อยู่กับปัจจุบันอันนั้นไม่ใช่ตรงข้ามเนี่ยการที่เราคิดถึงอนาคตแบบนี้มันทำให้เราเนี่ยเห็นความสำคัญของการอยู่กับปัจจุบัน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 อ่าละอ่าคำนี้เกื่อเท่านี้เอากลับพระ